พระธรรมเทศนาแผ่นที่69าลำดับที่เจโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่14กุมภาพันธ์ 2,558 มีชื่อเรื่องว่าอย่าลืมอาหารใจวันนี้นับว่า เป็นวันมงคลมาหามงคลอย่างยิ่งคณะชาติไทยญาติโยมลูกหลานหลวงพ่อเองก็ไม่ตั้งใจอยู่ตลอดเวลานะจะว่าถ้าจะว่าอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดถ้ามาพูดอย่างนี้ก็เหมือนกับหลวงพ่อมาแกล้งพูดหรือมาอปอเลาะพูดแต่าตามไม่จริงหลวงพ่อภูเก็ตหลวงพ่อกัมาตั้งแต่นมนานแต่พอมาช่วงหลังๆหลวงลพ่อก็ไม่รู้อะไรตรงังไม่อะไร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 ก็นิมนต์เกือบทุกปีที่ผ่านๆมามีแต่ปีที่แล้วนะรู้สึกหายต่อยไปรู้สึกว่าหลวงพ่อไม่มาก็เลยอ่อน อ, อกอ่อนใจก็มั่งแต่ตามไมปเิงหลวงพอ่อทางวัดวัดหินหมักแป้งเขาก็นิมนต์ทางนู้นอีกท่นนีวัดหลังสารก็นิมนต์ทางนี้อีกท่านนี้หลวงพ่อเนี่ไม่รู้จะแยกภาคยจงไงท่นี้เพราะนั้นพอหลวงพ่อก็ต้องจําเป็นพระอยู่ใกล้วัดหินหมักแป้งหลวงพ่อก็ต้องใน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 อยู่ในพระพุทธศาสนาฝากฝังชีวิตทั้งชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อไม่ใช่พระน้อยพระหนุ่มที่จะเดินตลอนไปที่ไหนหลวงพ่อก็คิดอีกเหมือนกันกว่าที่จะมาแต่ละแห่งละหนได้แต่คราวนี้ก็มีความจําเป็นสําคัญที่พวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นแต่ทั้งยังไงก็ตามนะถึงหลวงพ่อไม่มา แต่หลวงพ่อก็ส่งจิตส่งใจมาถึงคณะสัตย า, า, า ญ, ญาติโยมโลูกหลานอย่างที่หลวงพ่อได้พูดไม่ใช่ประลดพูดนะพูดออกมาจากใจจริงพรหลวงพ่อคิดถึงอยู่จังหวัดภูเก็ตพังงาพอลูกศิษย์ก็อย่างครูบาเวกเราว่าครูบาเกียเนี่ยคนทางนี้แหะขึ้นไปอยู่กับหลวงพ่อถามท่านเวกเมื่อคืนเวกไปอยู่กับหลวงพ่อกี่ปีไว้ที่มาอยู่วัดอะไรวัดไม้ขาวเนี่ย อยู่เปีครับหลวง พ, พ่อพนะอน่ะเราก็มาถามับมาถามท่านเกียร์ที่มากับหลวงพอ่อเกีย้ยมาอยู่ไปอยู่วัดหลวงพ่อกี่ปีแล้วสิปีแล้วครับเพราะฉะนั้นภูเก็ตพังงาก็เป็นทายาททางพระพุทธศาสนาขึ้นไปอยู่กับหลวงพ่อนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงลาลึกคิดถึงอยู่ทางภูเก็ตพังงาโดยสม่ําเสมอแต่ที่ยังไงท่านหลวงพ่อไม่ลงมา ก็ให้ขอให้พี่น้องศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานขึ้นไปเหมือนเสมือนว่าเป็นญาติโกโหติกาเก่าแก่ไม่ต้องสะทกไม่ต้องสะทานไม่ต้องอายทําเมื่อขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปกับพูดเออผมดิฉันมาจากภูเก็ตพังงาหลวงพ่อก็จะได้ล้ำลึกได้โอ้มามีอะไรหลวงพ่อก็จะได้เรียกญาติโกโหติกาเก่าแก่นะ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 แก้วโบคัดสามปีเป็นแหพี่น้องโบแว่โบแว่สามปีเป็นเพลนนะความหมายก็คือว่าถ้าหากว่าแก้วเพชรนินจินดานะเนี่ยถ้าหาว่าเราไม่ขัดไม่สีมันก็เหมือนกับหินลูกหลังหินแห่ภาษาภาษาพระทางอีสานว่าหินแห่ก็คือหินลูกหลังเนะเอยมันไม่มันมันไรคุณค่ามันหมดคุณค่านะอถ้าแก้วไม่ขัดไม่สีอมันไม่เลื่อมไม่ใส่ ถ้าแก้วไม่ขัดสามปีเป็นเออเป็นขี้หินแห่เยป็นขี้หินหินลูกหลังเออพี่เนาะพี่น้องไม่แวะไม่เวียนไปเยี่ยมกันเนี่ยเกินสามปีไปแล้วเป็นคนอื่นคนไกลไปแล้วถึงห่างเหินกันนี่หลวงพ่อห่างเหินพี่น้องไปห้าปีแล้วนะก็เก <c oughs> ินตำราทางอิสานพูดแล้วเออตั้งแต่มารับมอบที่ดินวัดหลังสารข่าวนู่นแหละจากนั้นก็ มีภาระธุระอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวงานของหลวงตาบังงานอะไรต่อไม่อะไรบงังต่อมากับงานหลวงปู่จามเมื่อปีที่แล้วแ ต, แต่แต่ละเสร็จแต่ละปีนี่กขโอ้อวมเหนื่อยพอสมควรนะคณะนะนะสัทธาญาติโยมไม่รู้ว่าทางนอกไม่รู้ว่าทางในไม่รู้ว่ามีอะไรต่อไม่อะไรถ้าลูกหลานมาอยู่ในสถานะของหลวงพอ่อลูกหลานก็จะรู้เหมือนกันนั่นแหละ แต่มาคราวนี้ก็ทราบข่าวว่าท่านอาจา ร, รย์รงวัดหยวนพึ่งของเราก็ได้ก่อสร้างอาคารศาลาแล้วก็มีคณะศรัทธาญาติโยมผู้มีศรัทธาก็ถวายเพิ่มเติมแต่เจ้าจ่าไม่จริงเจ้าของเดิมท่านก่อนพวกโกไข่พวกน่ะโรคหลานที่ถวายหลวงพ่อก็มารับแต่ทีแรกนั่นแหะตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยนั่นแหละหลวงพ่อขึ้นมามา เดินมาขึ้นมาเป็นโนนต้นทุเรียนเก่าแก่อยู่สองสามต้นน่ะหลวงพ่อมาเห็นแต่ทีแรกเลยล่ะหลวงพ่อมารับแต่ทีแรกต่อมากับท่านดุงก็มาอยู่หลวงพ่อกันน่ะแหววเวียนมาอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแต่พอมาเห็นคราวนี้ก็ืออขึ้นสลาใหญ่หลวงพ่อก็เห็นด้วยควรจะมีวัดวาศาสนาเป็นหย่อมๆเป็นจุดๆ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 หลวงพ่อก็พูดอย่างนั้นไม่ได้เพรามเป็นของวัดปราศาสานาเป็นสมบัติของแผ่นดินน ะ, ะจะเป็นวัดหลวงพ่ออินได้ยังไงคณะใช่หลวงพ่ออินยังอยู่นะครับหลวงพ่ออินก็ดูแลปกป้องดูแลรักษาสมบัติของพระพุทธศาสนาในเมื่อหลวงพ่อจากไปแล้วก็เป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเพราะฉนั้นลูกหลานคณะสัตยาธิโยมลูกหลานนะีต้องคิดไก ล, ไกลอย่าไปคิดใกล้นะ ดวงตามหาบัวท่านบอกว่าเมื่อเราทําบุญถวายที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนาอันนั้นแหะเป็นเป็นปูทางให้ครๆว่าทำถนนแล้วทำทางไปสู่พระเจ้าจั ก, กรพรรดิทาา่านว่าเพราะว่าพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเป็นใหญ่ในแผ่นดินคือผู้ใดก็ตามทางว่าผู้ใดถวายที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนาผู้นั้นแปลว่าสั่งสมบา ร, รมีเพื่อจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินตัวปภายภาคหน้า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 ที่มาเห็นแล้วนะแต่ถึงยังไงก็ขอมอบหมายมอบฝังให้กับพวกคณะสัตยาญาติโยม เ, เพราะว่าภูเก็ตพังงาก็เรื่องลือกันอยู่แล้วเป็นแหล่งเงินแหล่งทองเป็นแหล่งเพชรนินกินดา เ, เป็นแหล่งที่เงินอุรมสมบูรณ์ถ้ามาพิจารณาดูพุทธศาสนาเพียง อ, อาคารหลังนี้เพียงหลวงพ่อว่าเจ็บจ้อยอสาหรับพี่น้องภูเก็ตพังงานะ แต่ว่าจะทุ่มเทเห็นคุณค่าประโยชน์มากน้อยยังไงแค่ไหนเท่านั้นแหละแต่หลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเรามองคุณค่าของวัดวาศาสนาพวกเราได้สร้างท้าวรวัตถุอย่างอื่นบ้านเรือนของเราเราก็ได้สร้างแต่นี้เราควรจะทุ่มเททางพระพุทธศาสนาบ้างนะคือพระพุทธศาสนาคือด้านจิตใจนะกนัตถาญาิโฉมลูกหลานแต่ทางนอกนั้นนะคือทั้งเราหาปัจใจสี่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 ไข่เป็นของพระพุทธเจ้าบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาทําไว้ในพระพุทธศาสนาเมื่อเราทําเสร็จแล้วใจของเราก็ะลึกขึ้นมาเมื่อไหร่ใจของเราก็สบายนะใจของเรามีความสุขเลิศเพ่าะ อ, อะไรถ้าเรา ค, คิดให้เป็นธรรมนะเราไม่ได้คิดอีกอคติต่อคนนั้นคนนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้นนบุคคลนั้นบุคคล น, นี้เราคิดว่าเราทําเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา เพราะว่าวัดแห่งนี้ไม่ใช่ของผู้ถึงผู้ใดเอาไปขายก็ไม่ได้ใครจะเอาไปซื้อไปเช้งไปไปเซ้งไปอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นเพราะไรเพราะเป็นของพระพุทธศาสนาในเมื่อเราคิดอย่างนั้นแล้วก็ใจของเราจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทั้ทงด้านจิตใจลึกๆน ะ, อะพอเราทำบุญอาหารทางกายอาหารทางใจนะคือการสร้างวัดวา ส, า, าสนาเป็นอาหารทางจิตใจของพวกเรา แต่เราทํามาค้าขายเนี่ยเป็นอาหารทางร่างกายในหลักของพุทธศาสนาท่านให้ความสําคัญทางจิตใจนี่มากกว่าทางร่างกายนะค่ะนักดทายญาตจงเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถึงจะเลี้ยงร่างกายเลี้ยงดีขนาดไหนก็ดีเถอะนะอาหารอย่างดียาแก้โรคภัยไข้เจ็บอย่างดีผ้านุ่งห่มอย่างดี ที่พักพาที่พักพาอาศัยหรูหราโอ้อาอย่างดีให้ร่างกายเราอยู่นะอต่อไปอยู่ไปนานๆเข้าไปเดี๋ยวก็จะเห็นผมขาวเดี๋ยวก็จะเห็นฝันหลุดเดี๋ยวก็จะเห็นหนังเหี่ยวเอเดี๋ยวก็จะเห็นหลังค่อมผลทนสุดคนน่ะนอนอยู่ในเตียงนี่ยนะลืมตายอยู่ถ้าไมทําไม่หมดลมง่ายนะก็นอนอยู่อย่างนั้นแหะผลทีสุดก็น่ะถึงจุดจบ ถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะมันมีจุดจบนะแต่ว่าจุดจบมันออกจากจุดจบแล้วไปไหนแท้เนี่ยนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญในจุดนั้นอย่างมากเลยแท้เนี่ยอย่างที่ท่า น, ท, านท่านเทศให้กับนายพ่อค้าเท่าแก่ช่างทองทนะี่ลูกชายไปวัดวาศาสนาไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเป็นประจาแต่พ่อเนเฉยไม่เข้าใจไม่สนใจเอ้ อะอวกใหม่ไปแล้วพอว่าวอ้นี่ติดภาระไ ป, ไปไม่ได้เพราะการงานยังมีเยอะแยะอาซูเจ้าจะไปก็ไปแต่ลูกชายเออทําไมพ่อคิดอย่างนี้ไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะชี้ทางทางด้านจิตใจเออใช้ร่างกายมันก็นส่วนหนึ่งหาปัจจัยสี่แต่ส่วนจิตใจนั้นมันมันอีกส่วนหนึ่งนะออลูกชายกขไม่รู้จะทํำยังไงพผลในสุดนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันที่ร้านทองฮะเออร้านทอง เมื่อนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์มาฉันแล้วนะในช่างทองไม่มาก็ไม่ได้ทีนีเพราะว่าลูกชายนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์มาพระพุทธเจ้ามาฉันพอฉันเสร็จแล้วองค์ก็แสดงธรรมอะไรพอนั่งฟังในช่างทองก็นั่งต่อหน้าพระองค์ก็ถามว่าอุบาสกนะครับว่าอุบาสกก็คือโยมผู้ชายใช่ไหมอุบาสกท่านได้คิดไว้ไรือย่าง ท่านจะต้องเดินทางไกลนะพะองค์ตัดเนี่ยตรงๆนะจะได้เดินทางไกลนะได้คิดไวไ้ทีอย่างได้เตรียมไวไ้ทีอย่างสเบียงเดินทางได้เตรียมไวไ้ทีอย่างถ้าไม่ได้เตรียมไว้เตรียมไว้นะเดินทางไกลแน่นะถ้าไม่ได้เตรียมเสเบียงไว้จะเดินทางนะจะลำบากเพราะไม่มีรองเท้าไม่มีล่มไม่มีอุปกรณ์ในการเดินทาง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 ไม่อยู่ไม่นานนะแต่ก่อนที่ท่านจะตายนะท่านได้เตรียมบุญกุศลเป็นที่อุ่นใจหรือยังท่านได้คิดไว้หรือยัง อ, อ, อันนี้ไม่ใช่พูด เ, ออเล่นเล่นห ล, ลอกๆนะมันเป็นจริงนะ อ, อ, อุบาสกคนนั้นพอได้ยินเท่านั้นก็สะดุ้งลเลอยอสะดุ้งก็หันเหเข้ามากลับมาฟังศีลธรรมจริยธรรมผลในสุดท่านก็ได้สาเร็จพระโสดาบัน เ, ออเป็นเป็นผู้ม่อุปนิสัยเนะี่ย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 ก่อนที่เอามือลงเราก็แผ่เมตตาซะก่อนข้าพรเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นจะเป็นท่านผู้ใดก็ตามขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพระเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพรเจ้าปรารถนาะทุกๆท่านทุกๆดวงวิญญาณด้วยเถิดนะจากนั้นเอามือลงพอเอามือลงกับบริกรรมหายใจเข้าพดหายใจออกโธททอย่างที่หลวงปู่มั่นท่านแนะนําสั่งสอนสิทธิ์าวนิสิตของท่านออพอจิตใจพอ มันเผลอไปภาพเอากลับมาอยู่ที่ปลายจมูกเวลาเผลอไปบังคับหน่อยแต่ผลที่สุดถ้ามันมันจะออกไปยิงให้ให้นึกพุทโธพุทโธพุทโธฉี่ยิบในขนาะในใจของเราในขณะที่มันคิดหน่อยอย่าให้มันมีช่องว่างในช่วงนั้นนะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแต่ไม่ต้องพูดออกปากนะให้ใจให้ใจให้ใจพูดนะพุทโธ พอได้สุดใจมันไม่มีทางช่องว่างมั่นใจมันก็จะรวมสงบปับนะ่อยพอรวมสงบลงไปท่านั้นะจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตคือตัวผู้รู้นะสติคือความลําลึกให้เข้าาว่สติเอามาจับตัวผู้รู้นะออใจพอมันรวมลงไปแล้วท่านั้นละร่างกายกับใจเป็นคนละอ่านกันนะพี่น้องศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะพอจิตใจรวมปับลงไปแล้วท่านี้ เ, เห็นร่างกายของตัวเองร่างกายเหมือนกับรถหลวงพ่อเปรียบเทียบอย่างนั้นเลยทีนี้ใจของเราเนี่ยเหมือนกับคนขับรถใจกับกายกายกับใจไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันเห็นได้ชัดเลยเทีนี้ตัวที่จะนําไปเกิดในพภพภูมิต่างๆที่ได้รับบุตรบาปบุญคุณโทษบาปกุศลอ ก, กุศลคือใจทีนี้มันไม่ใช่กายนะทีนี้กายมันเป็นวิบากเท่านั้นเองเหมือนกับ เ, เหมือนกับโซโฟเฟอร์ขน คันชายาฝิ่นของเร็วๆมาใส่รถตัวเองลักษณะอย่างนั้นแหะถ้าว่าใจของเราไม่ได้รับการศึกษาที่ดีนะแต่ว่าจุกใจของเราได้รับการศึกษาที่ดีเนอะ่อเอาแต่ของดีเอาแต่เพชรนินจินดาเอาแต่แก้วเออแหวนเงินคำทรัพย์สมบัติเข้ามาใส่รถตัวเองนะแต่ถ้าว่าคนที่ไม่ดีนะเออไม่ได้รับการศึกษาเนะ่ยเอาแต่สิ่งเร็วๆเข้ามาใส่รถตัวเองเพราะฉะนั้นเออถึงยังไงก็เป็น กายกับใจใจกับกายกายในสำหรับรองรับพวกเราเห็นกันเอ้คนนั้นทําไมทํอย่านี้ขันทำไมำนี่ไ ม, ไม่น่าทําอย่างนั้นเพราะใ น, นสุขคอเลยจับรถไปขังเอาไปไปกักขังไว้ในที่กักขังคือคือคุกคือตารางนะเพราะอะไรเพราะโซเฟอร์นะเอาสิ่งที่ไม่ดีมาใส่รถตัวเองเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ นี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านพิสูจน์ได้แล้วว่าตายแล้วไม่สู่นะตายแล้วเกิดตัวที่ไปเกิดก็คือโซโฟเฟอร์นั่นแหละเทนีนั่นแหละเพื่อจิตใจสงบแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะให้พวกเราท่านทั้งหลายเอาไปศึกษาเราไปปฏิบัติดูนะช่วงไนว่างๆไม่มีอะไรเนะี่ย เราเข้าไปในห้องพระก็นั่งคัดสมาธิและนั่งเก้าอี้ก็ได้นะนั่งพับเพียบ ก, ก็ไดนั่งสบายๆนะทำกายให้ตรงแล้วกับกำหนดลมหายใจเข้าแต่สติท่านั้นให้เข้มแข็งนะบังคับนะอย่าไปปล่อยตามอําเภอใจไม่ได้เพราะใจของเรามันเละละมันปล่อยมามากต่อมากแล้ว เ, เราควรจะบังคับในขณะที่เรานั่งสมาธิเมื่อเรานั่งบังคับเราใจของเราจะเข้าสู่ความสงบนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเลยทีนี้ เมื่อเราจิตใจของเราสงบโอ้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเชื่อว่าตายแล้วเกิดมันเป็นอย่างนี้เองเนาะนี่เราจะซํานึกได้นะ เ, นเพราะนั้นขอให้ขอฝากไว้กับขณศรธธาชการญาติโยมลูกลู ก, ล, กล้านหลานทุกคนนะน่แหละไม่เชื่อก็เอาไว้ก่อนวางไว้ก่อนเพราะได้ยินมาแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่เราทา ง, ทางยังทำไม่ได้เออเอาไว้ก่อนในเมื่อเราทำได้แล้วนะ เราไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออะไรทีนี้เพราะอะไรมันเชื่อออกมาทางด้านจิตใจนะมันไม่เชื่อผิวเผินเท่านั้นนะมันไม่ใช่แบบผิวเผินะมันออกมาจากจิตใจจริงๆนะเพราะนั้นให้พวกเราคณะสัตยา ญ, ญาณยมลูกหลานทุกคนให้สังสมบุญกุศลอาหารกายอาหารกายอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวอาหารกายคือข้าวน้ําโภชนาะอาหารเราทํามาหาเลี้ยงชีพ ล่ำรวยมีความสุขทางร่างกายแต่ว่าอาหารจิตใจนั้นอย่าลืมอย่าลืมทั้งอาหารทั้งจิตใจถ้ารวยแต่ร่างกายแต่จิตใจโงงเหว๋งว้าเวอ้างว้างไม่มีอะไรทั้งด้านจิตใจก็ไม่น่าจะถูกต้องนะให้มีทั้งสองอย่างทั้งอาหารกายด้วยทั้งอาหารใจด้วยถ้าเราทำได้ทั้งสองอย่าง น, นีเป็นแปลว่าเป็นผู้สมบูรณ์นะเป็นผู้สมบูรณ์พูนผลแต่ขยัน ส่อสว ะ, สะแสวงหาแต่อาหารทางร่างกายอย่างเด ย, ยังไม่พร้อมนะออยังไม่พร้อมในหลักธรรมความสอนของพุทธเจ้าท่านไม่ยกย่องเลยแต่ถ้าอาหารทางด้านจิตใจท่านยังยกย่องถึงจะขาดเหลือขาดตกก็เถอะนะอย่างพระพุทธเจ้าท่านว่าลุกขโมละเซนาสนังนิส่ายาปปัชชาตัทะเตยวชีวังอุตซ่าโคกรณียอยู่อติเลกลาโภนะอันเป็นอติเลกลาของเจ้าเข้าไปอยู่ในเ อ, อถึงล่มต้นไม้ ไม่มีอะไรแต่ท่านภาวนาทําจิตใจให้สงบอันนั้นเป็นอเตเทเลกรกลาบของเจ้าแล้วพระพุทธเจ้ายกย่องนะถึงยังไม่มีอะไรถึงจะอยู่ในโครนต้นไม้ไม่มีที่มุงบังพระพุทธเจ้าก็ยังยกย่องว่านีเ่เป็นผู้หาอาหารเข้าทางสิทธิ์เขาเข า, ขาด้านทางจิต ท, ทางใจ เ, เลิศประเสริฐกว่าถึงจะ เ, เป็นอย่างที่หลวงปู่ชิงทองท่านพูด ถึงจะแก้ผ้าอยู่ถ้าได้เป็นพระรหันต์แล้วก็เอา้าจอมแก้ท่านว่านนะหลวงปู่สิงทองพูดเนี่ยท่านพูดแบบจริงจริงจังๆนะ เ, เพราะว่ามีหลวงพ่อเป็นเด่นน้อยอ้าปากว่าเป็นั่งฟังท่านสนทนากันองค์หนึ่งบอกว่ า, าถ้าได้สำเร็จมาแล้วก็ไม่มีสื่อเสียงโด่งดังไม่มีใครรู้จักมักค้นไม่มีอติเลกาลาบอยู่แบบจ น, จนๆไมไม่เอาหรอกย่องอยู่ ถ้าได้สําเร็จเป็นพระหรหันก็ควรจะเป็นเป็นผู้มีอัตเตะกระลาบชื่อเสียงโด่งดังแต่หลวงปู่ชิงทองนั่งอยู่จูดองคหนะลงหลวงโ้ยผมไม่ว่าอย่างนั้นล่ะเออสําหรับผมเลยนะถ้าได้สําเร็จเป็นพระาราหันแล้วเนหมดกิเลสภายในจิตในใจแล้วถึงจะแก้ผ้าจูผมก็เอาเอออง่ะ เ, เอหลวงปูส่สิงทองหลวงพ่อได้ยินเออใช่หลวงพ่อก็เห็นด้วยกับหลวงปูส่สิงทองเออ หรือจะเป็นยังไงก็อีกไม่นานมก็าตายาใช่ไหมร่างกายใช่ไหมล่ะเอราจะไปสนใจอะไรข้อสําคัญให้สําเร็จเป็นพระอรหันตานั้นแนหะเอออันนั้นเป็นอนันตาการนะ เ, เศรษฐีทางธรรมแนตะ่ทางโลกเนี่ยจะเป็นอะไรพ อ, พอเป็นพอไปพออยู่ออพอใช้พอสอยแล้วก็เพียงพอนะนะั่นแหะข้อขอจํากัดให้มันถูกสินถูกธรรมนะคณะสาญญาัตย์ทายญโฉมลูกหลานนานทีหลวงพอ่อได้มาหลวงพอนะ่อให้แนวความคิด สำหรับศรัทธาญาติโยมลูกหลานในะตอนนี้ไปผาสง์จะอนุโมทนาให้พ่อนะอนันี้นะแล้วก็วันพุ่งนี้เนาะได้ทราบข่าวว่าจะมีการทอดผ้าป่าสามาคัคคีแต่หลวงพ่อไม่ได้อยู่นะลูกหลานเนะเพราะว่าหลวงพ่อชันยังหารเสรียจว่าตอนบ่าย2องโมงหลวงพ่อก็จะได้รีบลงมาคราวนี้กัอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะั่นเพราะว่าทางอำเภอเพนเขานี่มนหลวงพ่อไว้นมนานแล้วแหะแต่าทางนี้เขาขึ้นไปแทรกขึ้นไป ทางพออเขาก็จะให้หลวงพ่อลงมาทางนี้พอลูกศิษย์ทางวัดนะหลวงพ่อก็เออจะลงมาแต่ทางโน้นพอได้ยินมาหลวงพ่อไม่ไปทางเขานะเขามาตั้งแต่ตีสามเมื่อวานนี่ <c oughs> โอ้ยหลวงพอ่อจะรผมนอนไม่หลับนั่งไงก็หลวงพ่อต้องไปพาอบอกผมบอกทั้งอธิบดีทั้งใครตัวใครทั้งพวกไอ้อะไรสลากกินแบ่งอะไรมากมาย คู่คนไปหมดแล้วงั้นถ้าหลวงพ่อไม่ไปตายผมขายขี้นาไม่รู้จะเอานาไปไว้ที่ไหนพนหลวงพ่อได้เย็นก็ว้าวเอาแบ่งครึ่งวะานก็เลยได้มาทางภูเก็ตอีกส่วนหนึ่งแล้วกจ็จะต้องกลับขึ้นไปอีกนั่ น, น่ะเพราะนั้นหลวงพ่อพูดเรื่องหลวงพ่อให้ลูกหลานได้ฟังนั่ น, นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะลูกหลานนะ แต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็ยังลำดึกถึงคิดถึงภูเก็ตพังงาของพวกเราอยู่โดยจำหม่มเสมอถ้ามลีลูกหลานขึ้นไปอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะอมีโอนผููได้ว่างๆขึ้นไปไ ป, ไปเยี่ยมเยียนหลวงพ่อหลวงพ่อเนะี่ยแก่ไปข้างหน้าแล้วไม่ไม่ไม่หนุ่มไปข้างหน้าแนละลูกหลานนะเอเดี๋ยวนี้หลวงพ่อเองนะ่ะสาาลาหลวงพ่อหลวงพ่อกนะันปีนี้มองขึ้นสล า, าชั้นบน เออสาราของเรามันทําไมมันสูงนักปีนี่ว่ะวะเออนับดูสิบห้าคันโอ้ไม่ไหวแล้วเออขึ้นจักรจะขึ้นไปปีสองปีในอย่างมากเจ็ดสิบสองคงไม่ไหวละเออก็เลยนายช่างรถไฟเข้ามาโอ้นายช่างวะ่ะอ่าอาตมาเนี่ยดูดูแลสาราปีนี่รู้สึกว่าสูงผิดปกติแต่ก่อนขึ้นไปก็พอไหวแต่ปีนี้ขึ้นไปแล้วมันหอบเลยนะวะ่ะ แล้วก็เกาะบันไดเกาะลาวบันไดขึ้นอีตฐก้อนก็เดินฉับชับชับขึ้นไปแต่บ um, ัณป mag ีนี้เกาะราวบันไดเห็นได้ชัดเลยอถ้าหากว่าต่อไปภายภาคนาธรรมาคงขึ้นไม่ไหวเอาทำลิฟต์ดีไหมหลวงพ่อท่านอาจารย์โอ้ทํารีต์ไฟฟ้าในอําเภอนายูงคลองลาเนี่ยมันจะตายเวลาไหนมันก็ตายถ้าหลวงพ่อมันไปตายอยู่ในริบหลวงพ่อทําังไงเนอใครจะไปงัดงัดริบหลวงพ่อออกได้อีกเทนิมคงไม่เหมาะแล้ว ต่อเติมชั้นล่างดีกว่าเออเอาจยางนั้นเลยหลวงพ่อเอาต่อปีกเขาก็เลยต่อปีกศาลาเดี๋ยวนี้นะกําลังทำไอ้ลงตรงนังกันอยู่เดี๋ยวนี้ต่อปีกศาลาแล้วก็ปูหิน เ, เขาก็ถามว่าหลวงพอ่เอเมื่อต่อปีกศาลาแล้วหลวงพ่อจะทําไงพื้นของมันหลวงพอ่อโอ๊ยหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระตามมีตามเกิดถ้าไม่มีอะไรหลวงพ่อก็จะปูปูนซีเมนก็ะพงจะมีหรอกพอปูปูนซีเมนเทปูนซีเมน ถามว่ามีใครมีศรัทธาใสกระเบื้องเออหลวงพ่อกับรับออทางว่าผู้มีศรัทธาอีกใส่หินแกลนิดเออหลวงพ่อก็จะรับเออถ้าบอโอ๊ยไม่สมฐานะหลวงพ่อดอกหินแกลนิดต้องเป็นทองคาเออหลวงพ่อก็จะเอา <c oughs> เออหลว ง, งพ่อตามมีตามเกิดนะลูกหลานนะวะออแต่นี้เขาก็เลยบอกเออถ้าอทางนั้นพวกผมขอถวายหินแกลนิด อทางจังหวัดพิจิุนโลกหลงพ่อผมจะส่งช่างมาเลยหลวงพ่ออังคารหลวงตาอังคารพระอาจารย์อังคารหลวงพ่อเออเอารับเดี๋ยวที่เขาบอเลยปูหินกันอยู่นะหลวงพ่อก็รับได้หินไม่ถึงทองคําว่ะอคิดว่าหลวงพ่อคิดว่าถ้ามีใครถวายพื้นทองคำเขาจะเอาทองคําำมองว่าว่ะเพราะมีศรัทธาใช่ไหมล่ะ เออถ้ามีระดับไหนเราก็เอาระดับนั้นเน่ยถ้าไม่มีเราก็ปูปูนซีเมนต์เออเราก็ไม่ไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมละ่ะเอออันนี้ก็เหมือนกันนะคณะสัตายาญาติโยมลูกหลานเนี่ยหลงพ่อแบบจูแบบสันโดดนะอืมสั่นโดดก็ว่าตามมีตามเกิดมาไงถ้าเกิดของดีก็ใช้ของดีแล้วใช่ไหมละ่ะเออถ้าใช้ถ้าถ้าเกิดของไม่ดีมาเราก็ใช้ตามที่มันมันมีมาเนะี่ยคือไม่ให้ใครเดือดร้อนไม่ให้ใครทุกข์ใจเลยหลวงพ่อทําอะไรน่ะประกาศเลยว่า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 สบายใจเรามีมากเราก็ทํามากเรามีน้อยก็ทําน้อยเออแต่ทึ้งยังไงก็ควรทำนะสร้างบุญสร้างกุศลนี่นะเออควรทำเออไม่ใช่ว่าจะมีอะไรเก็บหมดไม่ได้ไม่ได้อันนั้นเอ่อหลวงพ่อว่าโง่ประเภทหนึ่งเออเหมือนกันเลยเออเก็บเป็นรู้จักทําบุญเออถ้าทําบุญอิลุยช่ ย, ชยแชร์เกินไปมันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันใช่ไหมเออไม่รู้จักสถานะของตัวเองไม่รู้จักการวางตัวของตัวเองเพราะชีวิตของเราจะต้องได้ใช้ปัจจัย4อยู่นะ เราก็ต้องดูนะให้เหมาะสมทั้งทําบุญด้วยทั้งเก็บไว้ด้วยให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ในการทําบุญทําทานนะมันจึงจะถูกนั่นแหะเ ศ, ษเ ศ, ษเศษรษฐกิจพอเพียงของในหลวงถ้ากเกียเกียร์หาเนี่ะมิเตช้เอาใช้ออมจะทันได้ยังไงใช่ไหมมิเตชามีแต่ห า, แ ต, หาแต่เก็บเก็บเก็บไม่รู้จักใช้ก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเนพะราะนั้นให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บแล้วก็ให้รู้จักใช้นะ ใช้ก็ให้ใช้พอประมาณใช้อย่างไงจึงจะเกิดประโยชน์นไม่ใช่ว่าใช้เงินมากไปซื้อสตาราวูธไปฆ่าคนอื่นไปซื้อยาบ้าคันช่ายาฟินอย่างนั้นก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันใช้ให้เป็นรักษาเสาะแสวงหาด้วยความหมั่นขยันแล้วก็เมื่อขยันแล้วก็เก็บไว้ ใ, ใช้ให้เกิดประโยชน์น่แหละเมื่อใช้ก็ใช้คิดก็ก่อนค่อยใช้ ไม่ใช่ว่าไดมาแต่ใช้สุม4สุ่ม5อันนั้นก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถูกอีกเหมือนกันอัตอนต่อนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรนะกันเน้อ